เ้าโทวะจัตสตาสูตรว่าด้วยความเป็นผู้ว่ายาก1 1อภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ว่ายาก 2. ความเป็นผู้มีปาปมิตรสาความฟุ้งซ่านแห่งจิตภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้แล ภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญธรรมสามประการเพื่อละธรรมสามประการนี้ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุควรเจริญความเป็นผู้ว่าง่ายเพื่อละความเป็นผู้ว่ายาก 2. ภิกษุควรเจริญความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรเพื่อละความเป็นผู้มีปาปามิตร 3. ภิกษุควรเจริญอาณาปานสติ สติกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อละความฟุ้งซ่านแห่งจิตภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทำสามประการนี้เพื่อละทำสามประการนี้แลโทวัจัตสตาสูตรที่เก้าจบ